นโมตัสสะพะโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะพะโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะพะโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะข อ, อนอบมเลพระรัตนตรยัยขอบูชาคุณครูบาอาจารย์ไปเที่ยวสงการกันมั่งหรือเปล่า เป็นผู้โชคดีที่มีชีวิตรอดกลับมาได้ก็เป็นเหมือนเป็นเทศกาลเสียงเป็นเสียงตายทุกครั้งที่มีหยุดยาวเดี๋ยวก็จะหยุดกันอีกแล้วใช่ไหมวันแรงงานมันมันเหมือนเป็นอะไรเป็น เป็นวันหยุดแล้วก็ต้องมาคอยระวังตัวเองนะมันก็ดีเหมือนกันนะมันถ้าใครสามารถที่จะใช้ข่าวคราวอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเตือนตัวเองการหยุดของเราไม่ใช่ไปหยุดเพื่อเพลิดเพลินหยุดเพื่อให้ไปกลับเข้าหาครอบครัววันหยุดตั้งแต่อดีตมาแล้ว ไม่ได้หยุดให้เที่ยวหยุดให้ให้มีเวลาเข้าวัดฟังธรรมทำเขาเรียกว่าทำอะไรทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองเนี่ยเป็นประโยชน์แบบไม่ใช่ประโยชน์หาผลประโยชน์ในเรื่องของวัตถุแต่ในแง่ของการพัฒนาจิตใจทางฝรั่งเขาก็มีวันหยุด เรียกฮอลเดย์ใช่วันวันที่มันเป็นวันอะไรวันศักดิ์สิทธิ์แล้วไงฮอลลเดย์คือวันที่เขาจะต้องมาเข้าโบสเขาก็หยุดเพื่อให้คนไปเข้าโบสไปศึกษาศาสนาของเขาเหมือนกันคนไทยเมื่อก่อนก็หยุดวันพระวันโกนจะมีคำในวันพระวันโกนตอนหลังเรามาปรับเข้ากับ สากลก็ต้องหยุดตามสากลเขาก็ใช้เวลาหยุดนั้นมาเพื่อศึกษาพัฒนาจิตใจตัวเองศึกษาในที่นี้ก็คือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์รู้ทางพ้นทุกข์รู้ด้วยลูพระองค์เองคนอื่นก็อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกันแต่เขายังไม่รู้หรือถ้าไปศึกษาเองก็รู้ผิ ด, ผด รู้แบบไม่ถึงไม่ถึงกลนประมาณนั้นน่ยก็ต้องเรียนจากผู้ที่รู้จริงนี่ก็คือเรียนจากผู้ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยมีพราหมณ์เดินไปเรื่อยๆเห็นรอยเท้ารอยเท้าคือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ย ปกติแล้วเวลาเดินไปเนี่ยจะไม่มีรอยเท้าไม่ใช่เดินบนปูนนะเดินบนทรายนี่แหละแต่ว่าไม่มีรอยเท้าทำไมถึงไม่มีรอยเท้าเพราะพระองค์เดินด้วยกำลังกำลังแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่กำลังแบบคนทั่วๆไปเดินเนี่ยเหมือนท่านบรรยายบอบว่าเหมือนมา้าเหมือนม้าที่เขาวิ่งเร็วๆมันไม่ปรากฏรอยพระพุทธเจ้าจะเดิน ด้วยความนิ่มนวลของท่านนะซึ่งต้องใช้กำลังมากไม่ปรากฏรอยคือความนุ่มนวลของฝ่าเท้าของพระองค์ด้วยและลีลาการเดินของพระองค์ด้วยนอกจากว่าพระองค์ตั้งใจจะให้ใครเห็นจะอธิษฐานจะอธิษฐานให้ปรากฏรอยเอาไว้ ถ้าท่านเดินไปแล้วมีรอยอยู่ปรากฏอยู่เนี่ยนะทุกๆ ท, กที่ที่เดินไปเนี่ยคนและสัตว์ทั้งหลายจะเดือดร้อนเพราะเห็นแล้วไม่กล้าเดินแม้แต่จะข้ามอย่าว่าเดินทับเลยนะแม้แต่จะข้ามนี่ก็ลําบากแล้วทีนี้ทําไงล่ะเดินในวัดก็จะไปกราบจะไปกราบพระจะไปทําบุญเจอรอยเท้ารอยพระบาทนี่ก็ลาบากพระองค์ก็ไม่ให้ปรากฏจะให้ปรากฏเฉพาะ ผู้ที่พระองค์ต้องการจะให้เห็นครั้งหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งเดินไปเห็นรอยพระบาทพระองค์ก็นั่งรออยู่ใต้ต้นไม้พราหมณ์คนนั้นก็เห็นแล้วไม่ใช่รอยเท้าคนดูแล้วนะเพราะมันไม่เหมือนคนรอยนีย้ท่านบัญญาว่าเป็นรอยแบบมีกงจักก็คงเป็นเท้าเราจะมีรอยเท้าจะไม่มีลายนะเหมือนลายมืออย่างเงี้ย ลายมือของเราก็เป็นเส้นแขแนแข่งแขนนะแต่ของของพระพุทธเจ้าเนี่ยรอยพระบาทเนี่ยลายจะเป็นกลมๆแปลกก็เพราะว่าแปลกคนเห็นก็จึงเรียกว่าไม่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าคน้รอยเท้าไข่กันแน่เนี่ยก็เดินเดินตามรอยไปไปเจอพระพุทธเจ้าไปถามเลยท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าพอดูแล้วก็รูปร่างบุคลิกก็ดูแล้วสง่างาม ดูแล้วมีรสมีเปล่งปลั่งท่านเป็นเทวดาหรือเปล่าไม่ใช่หรออย่าเรียกเราว่าเทวดาเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เหรองั้นก็เป็นคนทันรู้จักคนทันไหมคนทันรู้จักไหมคนทันนี่เป็นเทวดาจำพวกหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นนักดนตรีเป็นเทวดานักดนตรีคอยสมัยนั้นคงจะมีแค่พินท่านบรรยายว่าดีดพิน นำหน้าพระอินทร์หรือเวลาก็มีงานรื่นเริงบนบนบ น, บนเทวดาโดนบนสวรรค์เนี่ยนะพวกนักดนตรีของสวรรค์ก็คือพวกคนทันนี่แหละท่านเป็นคนทันหรือเปล่าบอกไม่ใช่งั้นคงจะเป็นยักษ์เพราะมนุษย์กับยักษ์ไม่รู้สึกจะสัมพันธ์กันมาก <c oughs> คงจะเป็นยักษ์แปลงกายมาไม่ใช่พรามคนนั้นก็งงว่า ไม่ใช่อะงั้นเป็นคนคนก็ไม่ใช่ถราหมก็งงใหญ่เลยบอกถามท่านเป็นเทวดาก็ไม่ใช่คนทันก็ไม่ใช่เป็นยักษ์ก็ไม่ใช่เป็นคนก็ไม่ใช่แล้วท่านเป็นอะไรพระเจ้าบอกว่าอาสะวะที่ทำให้เป็นคนเป็นเทวดาเป็นอะไรมากเมื่อกี้นี่คนทัน เป็นยักษ์อะไรพวกนี้อาสวะทั้งหลายที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นเราไม่มีแล้วจึงไม่เรียกว่าเป็นคนเป็นยักษ์เป็นคนทันหรือเป็นเทวดาถ้าจะเรียกให้เรียกว่าพุทธะคนไทยก็แปลว่าพระพุทธเจ้าแปลไหมเหมือนไม่แปลนะ ให้เรียกว่าพุทธะแล้วเราก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเติมเข้าพระนําหน้าแล้วคำว่าเจ้าตามหลังก็คือว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้แต่พุทธะของพระองค์นั้นเป็นพุทธะประเภทดีหนึ่งประเภทหนึ่งพุทธะมีกี่ประเภทมีสองเหรอไม่ใช่มีมากกว่านั้นอ่าประเภทแรกนะสัมมาสัมพุทธะตัสรู้เอง แล้วก็บอกสอนคนอื่นมีสาวกได้พุทธะประเภทที่สองเาเรียกว่าปัจเจกพุทธะตัสรู้เองเหมือนกันแต่ไม่ดูแล้วไม่มีใครที่จะมารับคําสอนแล้วตัสรู้ตามท่านก็ไม่สอนให้คนตัสรู้ตามคือไม่มีใครมีบุญพอที่จะฟังท่านแล้วตัสรู้ตามเรียกว่าไม่มีคนทําบุญเป็นลูกศิษย์ท่านตัสรู้เององค์เดียว แต่มีซ้ําๆพร้อมๆกันหลายๆองค์ได้เคยมีพระปัจเจกับพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ร่วมสมัยกันอยู่ร่วมกันเลยนะห้าร้อยองค์ก็มีห้าร้อยนี่เป็นเลขกลมๆประมาณประมาณเอาเหมือนเรียกว่าโจรห้าร้อยคนนะห้ารอคือมีมากนับร้อยนี่ประเภทที่สองเป็นพุทธประเภทที่สองพุทธะประเภทที่สาก็เรียกว่าอนุพุทธะหรือสาว ก, กพุทธะ สาวกะสาวกสาวกะพุทธะก็คือคล้ายๆเรานี่แหละที่ว่าคล้ายๆเพราะเรายัางไม่ใช่คล <laughs> ้ายๆเราก็คือว่าเป็นเป็นคนปุถุชนนี่แหละแล้วมาฟังคำสอนของพระองค์แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วรู้ตามเห็นตามการรู้ตามเห็นตามเนี่ยคำว่าตามเนี่ยตรงกับคำว่าอนุอนุแปลว่าตาม อนุพุท ธ, ธะคือผู้รู้ตามอนุนี่แปลได้สองอย่างแปลว่าเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือแปลว่าตามก็ได้มีอีกพุท ธ, ธะหนึ่งอันนี้อยู่ในพระอัจถริยะเรียกว่าสุตะพุท ธ, ธะคือยังไม่เป็นสาวกสาวกในี่สั้นนับเอาเฉพาะผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วเหมือนที่เราสวด สุปฏิปันโนเคยสวดไหมสุปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระวาโตสาวกสังโฆปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติชอบแล้วท่านก็แจกใจอีกว่าได้แก่ใครบ้าง ยติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐ ป, ปุริสปุคลาได้แก่บุรุษสี่คู่สี่คู่สี่คู่เท่ากับกี่บุคคลนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบรุษ8ปดบรุษนั้นมีใครบ้าง <c oughs> ก็คือมีพระโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลสกิทาคามิมัติสกิทาคามิผลอนาคามิมัติอนาคามิผลอรหัตมัติอรหัตผล นับเรียงแล้วได้แปดถ้าจับเป็นคู่แล้วได้สี่จับเอามัดผลควบกันก็เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์อันนี้เรียกว่าสาวกสงสาวกสงสาวกเนี่ยก็ไม่เหมือนกับสงอีกแบบหนึง่งสงอย่างนี้เรียกว่าภิกษุสง์ เวลาโยมถวายสังฆทานจะถวายภิกษุสงฆ์ถ้าถวายสาวกสงฆ์เนี่ยอาตมาซวยเลยรับไม่ได้ <c oughs> เวลาโยมถวายสังฆทานใช่ไหมอิมาณิมายังพันเตภัตตานิสปริวารานิภิกขสังฆสะนี่ตรงนี้ภิกขสังฆศะคือภิกษุสงฆ์เราจะ ไ, ไม่ได้ถวายว่าสาวกสังฆสะ ถ้าสาวกสังคาสานะอาตมาต้องกลับวัดแล้วไม่ได้ละมาฉันที่นี่ไม่ได้ละเพราะว่ายัางไม่ใช่สาวกเป็นเพียงภิกษุสงฆ์ไม่ใช่สาวกสงฆ์หรือถ้าใครก็เป็นองค์ไหนท่านเป็นสาวกสงฆ์ท่านก็เออเราจะเป็นการอวดอ้างหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีวินัยตัวหนึ่งว่าไม่ให้ไม่ให้อวดดังนั้นเวลาเราถวายจึงเลี่ยงไปว่าถวายแก่ภิกษุสงฆ์ ภิสุสงคือสง์ที่บวชอุปสมบทโดยถูกวิธีนี่แบ่งแบ่งระหว่างสาวกสง์กับภิกษุสง์ยังมีพุท ธ, ธะอีกแบบหนึ่งที่พระอาตากถาอาจารย์ท่านท่านเพิ่มเอาไว้อันนี้สา ม, สามประเภทแรกเนี่ยอยู่ในในพระบาลีส่วนในพระอาตากถาเนี่ยท่านเติมให้อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสุตะพุท ธ, ธะสุตะพุท ธ, ธะเนี่ยหมายถึงว่า ผู้ที่เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแม่นหลักเรียนพระไตรปิฎกในแม่นจำไม่ได้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบพร้อมพร้อมที่จะพัฒนาจิตใจท่านบรรลุเป็นมักมกผลเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาคือจอ่อจอจอ่จอละจ่อจ อ, จ อ, จอแต่ยังเอาแน่ไม่ได้อาจจะเสื่อมก็ได้แต่จอ่อจอท่านก็อนุโลมเรียกว่าสุตตพุทธ คือเกือบๆแล้วแล้วก็แม่นหลักแม่นในก็เรียกว่าในพระปริยัติแม่นในพระปริยัติเนี่ยมันยังเป็นต้องเรียนถึงกับแปด0มืนสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ได้แต่แม่นหลักว่าแนวทางการดำเนินเพื่อให้บรรลุถึงความพ้นทุกข์เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายของสถานที่แห่งนี้ เขาสร้างเอาไว้เยอะก็เพื่อต้องการให้คนได้มีสถานที่มีเวลามาศึกษาและปฏิบัติสถานที่ว่างๆสถานที่ว่างๆคือว่างให้เราเข้ามานั่งได้ให้มันเดินได้ยืนเดินนั่งนอนได้เราก็ต้องหาความว่างๆคือเวลาว่างๆมาใช้สถานที่ว่างๆเพื่อทาใจให้ว่างๆว่างไหมเวลามีสติเนี่ย ท่านเปรียบเหมือนว่ารู้เงียบเงียบรู้เงียบเงียบแต่ใจเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยว่างมันจะมีคําพูดอยู่เสมอไม่มีคําพูดของตัวเองผุดขึ้นมาก็จะมีความคิดนึกเป็นภาพไม่ค่อยว่างมันเลยไม่ค่อยมีสติรู้ปัจจุบันสักเท่าไหร่เพราะมันจะมีกสิ่งอื่นมามาให้เห็นมาให้นึกอยู่อยู่เสมอแต่ท่านไม่ปฏิเสธ ไม่ให้ปฏิเสธด้วยอาศัยรู้สิ่งที่มันเป็นอยู่นี่แหละสิ่งที่มันเป็นอยู่คนที่ฟุ้งซ่านดูความฟุ้งซ่านคนคิดนึกไปกลให้ดูความคิดนึกที่เกิดขึ้นคิดมากยิ่งดี <c oughs> มีเรื่องอาตมาเพิ่งไปอ่านทบทวนมาแล้วเกิดความอาศัศจรรย์อย่างหนึ่งคือ อ่านใหม่เข้าใจใหม่ก่อนหน้านี้อ่านเรื่องนี้แล้วเข้าใจแค่แค่เรื่องราวไม่ได้ใส่ใจในพุทธพจน์ก็เข้าใจเรื่องราวเรื่องนี้เคยเล่าไปแล้วตอนใครไปที่วัดยานาวาก็จะได้ยินลองมาเล่าซ้ำใครใครไปวัดญาณาวาบ้างมีไหมมีฟังซ้าแล้วเช็คตัวเองว่าจาได้ไหม <laughs> มีพระองค์หนึ่ง บวชบวชไม่กี่วันสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่บวชเมื่อแก่อายุมากน้องชายก็มีลูกน้องชายก็ศรัทธาในในพี่ชายตัวเองตั้งชื่อลูกตัวเองตรงกับพี่เลยแสดงความศรัทธามากนะแล้วก็พอลูกโตขึ้นมาอายุครบบวชก็ส่งลูกตัวเองเนี่ยไปบวชอยู่กับพี่ชาย ลูกก็เรียกหลวงลุงหลวงลุงหลว ง, ล, ง, ล, งลุงนั้นก็เลยเป็นทั้งลุงเป็นทั้งพระอุปชาไปจำพรรษาก็พรรษานั้นไปจำต่างวัดกันหลวงลุงอยู่วัดหนึ่งหลานพระหลานก็ไปอยู่อีกอีกวัดหนึ่งพระหลานเนี่ยพอออกพรรษาในพรรษานะ่ะได้ผ้าสองผืนได้พระนุ่งสองผืนโยมถวายมา ผืนนึงดีผืนนึงพอใช้ได้ผืนดีนะั่นเนื้อดีด้วยยาวกว่าด้วยก็กะจะเอาผืนดีที่ยาวเนี่ยถวายหลวงลงุงผืนสั้นตัวเองจะใช้เองออกพรรแล้วก็กลับวัดกลับวัดที่หลวงลุงอยู่นะก็ไปที่ที่กุฏิหลวงลุงก็ไม่อยู่ที่กุฏิเขาก็ไม่ใช่เขาท่านท่านก็ไปปัดกวาดปัดกวาดเตรียมที่นั่ง เตรียมน้ำดื่มเตรียมกระโถนคือทำกิจวัตรเพื่ออุปชาพอหลวงลุงมาก็ดีใจกราบน้ำพาะสการนิมนต์ให้นั่งแล้วตัวเองก็พัดมีเมื่อก่อนไม่มีเครื่องอย่างนี้ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมก็ใช้พัดที่ทำด้วยใบตาลเคยเห็นไหมเดี๋ยวนี้คงหายาก พระเวลามีพัดสักอันหนึ่งก็เลยเป็นตาลปัดคือเดิมในะเป็นใบาตาลตลปัดคือพัดที่ทำจากตาลใบาตาลเขาก็รูปร่างก็ไม่เหมือนตาลปัดเมื่อก่อนนะก็จะเป็นพัดที่มันมีก้านแล้วก็มีมีใบออกมาทั้งข้างๆนะทีนี้ทาเป็นแบบตรงๆเมื่อก่อนก็ทำเป็นข้างๆเพื่อที่จะพัดอย่างนี้ได้พัดโบกก็ เอาพัดอย่างนั้น่ะมาพัดถวายอุปัชาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพรรษานี้นะผมได้ผ้ามาสองผืนโยมถวายมาผมจะถวายหลวงลงุงถวายหลวงลุงผืนนึงเอาผืนดีถวายหลวงลุงอีกผืนหนึ่งผมจะใช้เองนหลวงลุงหลวงลุงก็บอกอืมเรามีเยอะแล้วเธอเอาไปใช้เถอะอพระหลานชายก็ใจแป๊วนะเราอยากจะทําบุญโยมเคยเป็นไหม อยากจะถวายของแต่พระไม่เอาไม่รับแป้วอ๋อผมอยากจะถวายจริงๆผมได้มาผมนึกถึงลุงๆุงก่อนเพื่อนเลยเออเรามีเยอะแล้วเอาไปใช้เถอะพูดอีกถึงสามครั้งพอครั้งที่สามเนี่ยพระหลานก็จิตตกเลยบอกเราเนี่ยนะความสัมพันธ์กับลงลุงเนี่ยนอกจากจะเป็นเป็นลุงเป็นหลานกันแล้วเนี่ยยังเป็นท่านยังเป็นอุปชา เราเป็นลูกศิษย์ท่านโดยตรงเลยเนี่ยเรามีของจะถวายท่านท่านยังไม่รับเลยก็นึกน้อยใจแสดงว่าท่านไม่เห็นความสำคัญกับเราเลยจะอยู่ไปทาไมคิดสึกดูสิจิตตกง่ายง่ายเงี้ยเมื่อกี้ยังเป็นกุศลอยู่เลยนะเจอหลวงลุงเนี่ยดีใจมีผ้าอยู่ก็ดีใจจกถวายถวายกับหลวงลุ ง, ลงพอท่านไม่รับจิตตกจะสึกจะคิดอยู่ในใจนะคิดในใจคิดจะสึก จะศึกแล้วก็นึกถึงว่าเสึกไปมันก็ลําบากเหมือนกันนะเพราะว่าลําบากไหมเป็นคารว่าสลาบากไหมลําบากต้องหากินหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเอะเราจะเอาอะไรมาเลี้ยงชีพเอาเรามีทุนอยู่แล้วนึกในใจนะเรามีทุนอยู่แล้วมีผ้าสองผืนจเจ้าผ้าสองผืนนี่ไปขายไปขายเนี่ยก็จะได้เงินมาจะทำอะไรดีจะไปซื้อแพะ ถ้าจะซื้อแพะโยมจะซื้อแพะตัวผู้หรือแพะตัวเมียแพะตัวเมียเพราะมันจะมีลูกได้เออแพะเนี่ยออกลูกเร็วมันนึกในใจนะแพะออกลูกเร็วออกลูกดกออกลูกถี่มันมีลูกมาก็จะขายเมลูกมากจะขายขายแล้วก็มีเงินเงินเงินได้มาแล้วเป็นคารวาจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเมียนึกถึงเมียถ้าไปแต่งงานจะแต่งกับคนนั้นอ่ามองมองมาแล้วมองมองมาและ แต่งเสร็จแล้วมันคงเป็นครอบครัวสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าไม่มีลูกก็ต้องมีลูกอ่ามีลูกแล้วลูกเราเนี่ยน่ารักมากเลยเวลาน่ารักเนี่ยจะนึกถึงแบบไหนบางคนเวลาชมลูกน่ารักเนี่ยนะเวลาไปเยี่ยมเพื่อนน่ารักจังเลยโตขึ้นขอให้สวยเหมือนแม่ขอให้ฉลาดเหมือนพ่อไอแม่ก็ตกใจตกลงกูงโง่เหรอ <laughs> พ่อแล้วกูขี้เหละมากเลยเวลาชมต้องระวังให้ดีนะชมใ ห, ให้ให้เขาอย่านึกน้อยใจตัวเองได้ไอ้นี่ก็นึกถึงตัวเองว่าจะต้องมีลูกลูกตัวเองก็ต้องต้น่ารักลูกน่ารักแล้วจะพามาอวดหลวงลุงแง่งยังนึกถึงหลวงลุงอยู่นะจะพามาอวดหลวงลงุงว่าเนี่ยลูกเราเนี่ยน่ารักแต่บ้านอยู่ไกลนะบ้านอยู่ไกลเวลาจะมาเนี่ยก็ต้องนั่งเกวียนนั่งเกวียนสมัยนั้นยังไม่มีรถไฟฟ้า ไม่มีรถส่วนตัวไม่มีรถยนต์ก็ต้องนั่งเกวียนเกวียนได้ต้องเทียมด้วย ว, วัวเขาก็จะนั่งเป็นคนคนบังคับ ว, วัวและให้เมียอุ้มลูกแต่เมียเนี่ยเป็นเมียสาวเป็นมีลูกคนแรกมีลูกคนแรกก็การอุ้มอะไรก็ดูแบบแก้แก่กลางๆ ก็คงจะอุ้มแล้วแบบดูขัดขัดเ ข, ขินๆ น, น่ารำคาญก็เลยบอกว่ามานนิฉันจะอุ้มเอง mm. ฉันจะอุ้มเองไอเมยบอกแกก mm. ็บังคับวัวไปสิ mm. ขับเกวียนไป <c oughs> เราจะอุ้มเองแย่งไปแย่งมาลูกตก <c oughs> <c oughs> ลูกตกไปเ <c oughs> กวียนก็กำลังวิ่งอยู่เนี่ยนะล้อเกวียนก็ทับลูกตายไปเลย ตัวเองก็เลยโอ้โหลูกตายแล้วมือถือประตักอยู่รู้จักประตักไหมเวลาคนขับเกวียนเนี่ยต้องมีประตักคอยคอยจิ้มวัวหรือควายมันจะมีเป็นไม้ไมคล้ายๆด้ามตะลัปัดเนะ่แล้วปลายแหลมๆ <S <S เดี๋ยวนี้ใช้เกียร์ออโต้เนาะใช้ใช้กับเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องมีประตักหอคนนี้ก็ตกตกใจว่าลูกตกไป แล้วก็โกรธเมียมือถือปะตักอยู่ก็เลยเอาปะตักเนี่ยตีหัวเมียขณะที่ตีหัวเมียเนี่ยก็คือยังเป็นพระอยู่แล้วเอาด้ามพัดเนี่ยตีหัวพระอุชาหลวงลุงก็เฮ้เลยพูดทักไปว่าโกรธเมียแล้วทําไมต้องมาตีหัวพระแก่ๆพระหลา น, นั่นก็เลยตกใจอุ้ยตายแล้วเราคิดเลยเถิดไปจน เรื่องราวใหญ่โตถึงขั้นเอาเอาพัดมาตีหัวหลวงลุงซึ่งเป็นอุปชาด้วยแล้วแถมท่านก็รู้ได้ว่าเราคิดอะไรอยู่ตกใจมากเลยไม่ล่ำไม่ราเลยนะทิ้งพัดวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีลงกุฏิเตรียมวิ่งออกจากวัดไปเลยพอดีวัดนั้นเนี่ยเป็นหลวงลุงท่านก็เป็นพระเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงก็มีลูกศิษย์อยู่เยอะ วิ่งลงไปพระลูกศิษย์ทั้งหลายท่านก็เห็นว่าผิดปกติก็วิ่งไล่จับจับได้จับได้ก็พามาหาลุงลุงลุ ง, ลงบอกว่าให้พาไปหาพระพุทธเจ้าดูสิเรื่องราวใหญ่โตถึงขนาดนี้นะพาไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เห็นแล้วพ ร, พระจับพระจับพระไม่ใช่โจรจับโจรไม่ใช่ตารวจจับโจรไม่ใช่โจรจับตารวจแต่พระจับพระ พระเจ้าท่านก็ถามถามเป็นแบบเชิงอะไรอะ่ะคล้ายๆทักนะว่าท่านทั้งหลายไปจับอะไรมาจับได้พระมาหรอพูดเป็นการเหมือนเป็นการปลอบเป็นการทักแบบปลอบๆพระทั้งหลายก็บอกพระเจ้าข้าพวกกมอมฉันจับพระได้ <c oughs> เขาทาผิดอะไรทําผิดอะไร อ๋อเห็นวิ่งไปน่าจะมีพิรุธมีความผิดอยู่สอบถามแล้วตีหัวอุปชาแล้ววิ่งหนีไปพระรเจ้าก็ถามเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเนี่ยท่านยังไม่ดุนะยังไม่ดุเป็นอย่างนั้นจริงเหรอทําไมถนะึงทําอย่างนั้ น, รร น, นพระก็พระองค์ที่ตีนะพระหลานก็บอกจริงพระเจ้าค่าแล้วทําไมทําอย่างนั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังพระพเจ้าไม่ดุเลยนะ รู้ว่าพระองค์นั้นเน่ยสั่น ง, งินงกแล้ว <c ười> คือยอมรับความผิดของตัวเองไม่ได้ขนาดต้องวิ่งหนีไปแล้วเนี่ยนะแล้วยังถูกจับจับมาหาอุปชาแล้วยังจับมาหาพระพุทธเจ้าอีกกำลังใจจะแตกสลาอยู่แล้วจะจะมรณะภาพอยู่แล้วพ <c> ะ <ười> พุทธเจ้าก็ปลอบบอกไม่เป็นไรมันอย่างนี้แหละจิตมันเป็นอย่างนี้แหละจิตมันเป็นอย่างนี้ดูจิตมันนะ ท่านสอนดูจิตนะแล้วดูง่ายๆด้วยท่านสอนเป็นภาษาบาลีทําไมต้องสอนเป็นภาษาบาลีเป็นภาษามาคตเพราะคนฟังคือคนมคตเป็นพระมคตท่านพูดเป็นภาษามาคตบอกไปสักหน่อยเึง้นะเพราะว่ามันจะทําให้จําได้ง่ายท่านพูดลักษณะของจิตสี่แบบท่านบอกว่า จิตเนี่ยเป็นทรรมดาอย่างนี้แหละให้ดูไว้นะมันทูรังขมังฟังไว้ก่อนนะทูรังขมังทูระแปลว่าไกลขะมังแปลว่าไปขะมะเลยนะขะมะแปลป่าไปมันออกเสียงคล้ายๆกับภาษาอังกฤษว่าคำแต่ว่าแปลตรงข้ามคำนี่มาขมะแปลว่าไปทูรังขมังคือไปไกลเอกจรัง เอกจรังเอกคือหนึ่งจรังคือแล่นจราจรคือแล่นบ้างไม่แล่นบ้างจรรจรเมืองไทยเนี่ยนะแล่นบ้างไม่แล่นบ้างเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ไปได้เอกจรังแปลว่าแล่นไปทีละหนึ่งหมายถึงทีละขณะมีสองลักษณะแล้วนะลักษณะแรกอะไรฮะทูรังขังไปไกล เอกจรังไปทีละขณะอะสเริรังอสเริรังอะไปว่าไม่สริรังไปว่าร่างอสเริรังคือไม่มีร่างไม่มีอย่างนี้มันเป็นนามมาธรรมอสริรังลักษณะที่สี่คือคุหาสยังสระอุนะคอควายสระอุคุหาสยังคุหาสยังเนี่ย เวลาเป็นคำไทยคุหานี่จะกลายเป็นคูหาคูหาแปลว่าถ้ำคุหาสายังนอนอยู่ในถ้ำคืออาศัยถ้ำอยู่ถ้ำนี่คือกายนี่กายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นถ้ำเอาไว้ให้จิตนี้อาศัยแล้วจิตมันก็อาศัยจริงๆคือมันไม่อยู่ตลอดเป็นเพียงถ้ำเอาไว้อยู่ไม่ใช่คุก แล้วมันก็ทูรังขะมังเที่ยวไปไกลไกลไหมเวลาจิตโยมเที่ยวเนี่เที่ยวไกลไหมไปถึงอเมริกาไหมไปได้เนาะบอสตันระเบิดแล้วก็รู้ใช่ไหมไปแล้ใช่ไห ม, มเวลาดาวเทียมจรวดอะไรส่งขึ้นไปแล้วก็ตามข่าวรู้หมดเลยจองอื่นจองอื่นเขาจะระเบิดนิวเคลียร์กันเราก็รู้ใช่ไหม แล้วอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยเมืองจีนเมืองไทยรู้หมดไปไกลเที่ยวไปไกลไม่ห้ามแต่ให้รู้ทันให้รู้ว่ามันไปท่านให้เห็นลักษณะของจิตว่าจิตเนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ยอมรับตามจริงไม่ห้ามยอมรับตามจริงจิตมันไปไกลทูรังขมังแต่การไปของมันเนี่ย เป็นลักษณะที่สองคือเอกะจรังคือมันไม่ใช่ลากยาวไปแล้วก็ดึงให้กลับมาเราจะมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าจิตเนี่ยมีดวงเดียวแล้วก็เที่ยวไปแล้วก็ดึงมันมาแล้วมันก็เที่ยวไปแล้วก็ดึงมันมาแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเอกะจรังมันดับจากนี่แล้วก็ไปไปไกลแล้วแต่จะนึกถึงอะไร ถ้ามองไม่ทันมันจะเหมือนเป็นเป็นเส้นโยงไปมองใหม่ๆจะเหมือนกับว่าจิตมันไหลไปมองใหม่ๆนะถ้าเห็นนะจิตมันไหลไปสมมุติว่าเราภาวนาอยู่เป็นพุทโธดูลมหายใจยอยู่ที่สองจังจมูเนี่นะให้ตรงนี้เป็นที่อยู่ตรงนี้ก็เหมือนปากถ้ำอาศัยตรงนี้อยู่เป็นปากถ้ำแล้วพาวเผลอไปเนี่ย ความรู้สึกของเราเวลาดูทีแรกๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นโยงไปมีการวิ่งแบบว่ามีเหมือนเป็นควันฟิวฟิวไปอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าเห็นมันตอนแบบทูรังขังคือมันไปไกลแต่มันยังไม่เห็นถึงขนาดว่าเป็นเอกัจรังว่ามันไปทีละขณะมันดับจากนี่แล้วไปเกิดที่นู้นทีละขณะแล้วมันไปได้กี่ช่อง มีช่องถ้าเนี่ยมีช่องนะมีปากปากถ้ำอยู่กี่กี่ปีกีปากหกปากนี่ยังเปรียบเป็นถ้ำนะยังดีบางพระสูตรนี่เปรียบเปรียบเป็นจอมปลวกและที่อาศัยอยู่ในจอมปลวกเนี่ยเป็นเฮียรู้สึกไม่ค่อยอยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเ ป, เป็นเป็นถ้ำดีกว่าเนาะอะเป็นถ้ำมีปากถ้ามีปากถ้าอยู่หกช่อง หกช่องเนี่ยคือไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและช่องใหญ่ๆเลคือใจมีหกช่องเป็นช่องๆช่องช่องที่ว่าเนี่ยบางทีไม่ใช่ช่องแบบดูโทรทัศน์แต่มันคล้ายๆเหมือนกันช่องโทรทัศน์เดี๋ยวนี้มันหลายช่องมากเลยเนาะ ยิ่งเป็นดาวเทียนเป็นร้อยช่องใช่ไหมดูยากดูแล้วมึนบางคนก็ไปโรงพยาบาลไปจ่ายตังค์ช่องนี้คนที่รับตังค์แล้วก็บอกว่าไปรับยาช่องห้าฮะทำไมไปไกลจังอุตส่าห์ออกจากโรงพยาบาลไปสนามเป้าทำไมโรงพยาบาลต้องให้รับยาที่ช่องห้าไม่เข้าใจ ไปแล้วก็บอกว่ามารับยามองไม่ใช่เจ้าหน้าที่งงสอบไปสอบมาอ๋อช่องเขามีเลขใช่ไหมคนก็เข้า<ๆ>ใจผิดแต่ช่องทางที่จิตออกเนี่ยมันมีอยู่หกช่องนี้ไม่ใช่ช่องห้าไม่ใช่ช่องหกแต่เป็นช่องคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจช่องที่ไปบ่อยคือช่องใจช่องที่รองลงมาคือตากับหูทีนี้ถ้าจะดูให้ชัด ถ้าจะดูให้ชัดบางคนก็อาศัยดูสะช่องเดียวเน้นที่ช่องเดียวคือช่องใจช่องที่มันไปบ่อยช่องใจช่องใจเนี่ยเวลาไปเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าจะดูให้ชัดก็ต้องมีให้มันกลับมาอยู่ในที่อยู่ก่อนกลับมาอาศัยถ้ำนี้ก่อนเวลามันไปเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าจิตมันเวลามันลืม เช่นเวลาเราอาศัยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะภาวนาเช่นดูลมหายใจบางคนอาจจะมีคําบริกรรมด้วยเป็นพุโทโธเป็นสัมมาอรหังหรือดูแต่ลมเห็นแต่ลมก็ได้แล้วพอมันลืมลมลืมพุโทโธลืมสัมมาอรหังมันเป็นนึกถึงเรื่องอื่นนั่นแหละคือมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วมันจะมีข้อเปรียบเทียบได้ว่ามันมีการหลงการลืมการหนีเที่ยวไปแล้ว พอเห็นการหลงการลืมการหนีเที่ยวครั้งแรกแรกเนี่ยมันจะเห็นจุดหมายปลายทางมันจะดูเห็นข้อแรกพระองค์สอนเนี่ยสอนทีละสเต็ปเลยนะครั้งแรกเนี่ยเห็นสถานที่มันไปมันไปไกลทูรังขำมังนี่มันไปไก ล, ไ ป, ไกลป๊บป๊บป๊จะเห็นแรกๆกเห็นตรงนี้ไปก่อนเห็นความเรื่มมันไปก่อน แต่ไม่สนใจสถานที่ตอนที่ดูเนี่ยนะไม่สนใจสถานที่ที่มันไปดูอาการไปเพราะท่านไม่ได้ดูไม่ให้ดูสถานที่ท่านบอกว่าทูรังขะมังเน้นที่ตัวขะมังมันไปไปไกลจิตนี้มันไปไกลแต่ไปทีละขณะทีแรกไม่เห็นเป็นทีละขณะก็ให้เข้าใจก่อนว่าเรายังไม่เห็นถึงขั้นนั้น แต่ความจริงของมันคือมันเกิดดับไปทีละขนะแต่พระองค์เนี่ยท่านเห็นเลยหลวงหลานองค์เนี่ยนะพระองค์เนี่ยท่านเห็นเลยว่าจิตมันไปไกลใช่เลยพอพระเจ้าบอกทูรังขะมังมันไปไกลใช่ไปไกลไกลทั้งในแง่ของพื้นที่คือไปถึงบ้านไปถึงอะไรขับรถขับเกวียนอะไรเลยนะไกลในด้านของเวลาด้วยมีเมีย ม, มีลูกจนจะเอาลูกมาเยี่ยมหลวงลงุลงเน้น ไปทางด้านเวลาด้วยไปไกลคนไทยจะเรียกว่าคิดเตลิดเปิดเปิงคิดไปไกลถูรังขมังแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็บอกอีกว่าอย่าคิดว่ามันมันลากไปนะมันเกิดดับดับจากนี่แล้วไปเกิดที่นูน่นพอมีสติรู้ทันมันก็ดับจากนูน่นมามีสติรู้อยู่ที่จิตมันเกิดดับทีละขณะในขณะที่เห็นเกิดดับทีละขณะเนี่ย มันจะเห็นอีกลักษณะหนึ่งคือจิตกับกายเป็นคนละส่วนกันท่านก็ความพร้อมของการเห็นตรงเนี้ยที่มันเห็นเกิดดับที่ละขนาดเนี่ยจิตจะเห็นขนานี้ได้เนี่ยมันจะมีทั้งสติและสมาธิพร้อมแล้วทูรังขมังเนี่ยจิตมีสติแล้วเห็นสภาวะที่จิตมันมันคิดนึกเผลอไปเอกจะรังแยกออกได้แล้ว ว่าจิตมันไม่ได้ลากไปนะเห็นสันตติขาดจิตเกิดดับทีละขนาดจะเห็นอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิด้วยมีสติและสมาธิแล้วเริ่มเดินปัญญาได้ละสองคำเองนะ <c oughs> <c oughs> พระเจ้าสอนพระเนี่ยสองคำได้สติและสมาธิแล้วต่อไปท่านให้เดินปัญญาเลยคำที่สามที่ท่านให้เดินปัญญาท่านให้คาว่าอะไรจาได้ไหม อสรรรังอสรรรังคือไม่มีสรีระไม่มีร่างกายหมายถึงแยกรูปแยกนามที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นนามธรรมานะจิตเนี่ยเป็นนามธรรมานะกายนี่เป็นกายที่นั่งฟังตถาคตอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่อันที่มันเที่ยวไปเนี่ยคือจิตนะแล้วอาศัยสติที่เป็นนามธรรมาด้วยรู้จิตอีกทีหนึ่งแล้วที่ยืนยันว่ามีการแยกรูปแยกนามเพราะว่ามีคาที่สี่ คือคู่หาสยังอาศัยกายนี้อยู่ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่จิตกับกายก็ยังสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ไม่ว่ามันจะเที่ยวไปไกล ย, ยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาเพียงแต่ว่าการกลับมาของคนที่ไม่ได้ฝึกนั้นมันเที่ยวไปไกลซะหลายรอบกว่าจะรู้ตัวสักครั้งหนึ่งหรือบางทีไม่รู้เลยตั้งแต่ตื่นจนหลับคนที่ฝึกมาก็คือเฝ้าดูว่าจิตมันมีลักษณะอย่างนี้มันเที่ยวไปไกล การไปของมันไปทีละขนะและจิตนี้เป็นนามธรรมอาศัยรู่หาคือกายนี้อยู่แล้วไม่ปล่อยให้จิตว่างจิตเนี่ยอย่าทำให้ว่างๆอย่าทำให้ลอยๆมีอันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดสภาวะเดียวกันแต่ว่าคนละคำอันนี้ฟังจากหลวงพ่อพูดอีกทีนึงหลวงพ่อพูดท่าน เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งอยู่กับหลวงหลวงปู่เสาเคยได้ยินหลวงปู่เสาไหมหลวงพ่อพุธเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสากันตัะสีโลครั้งหนึ่งหลวงปู่เสาก็เปรยขึ้นมาระหว่างที่อยู่กับหลวงพ่อพุธบอกว่าจิตข่าตอนเนี้ยมันไม่สงบจิตข่าตอนเนี้ยมันมีแต่ความคิดมีแต่ความคิดมีแต่ความคิดหลวงพ่อพุธตอนนั้นเป็นลูกศิษย์ก็ถามอ้าวหลวงพ่อ มันฟุ้งซ่านเหรอมันไม่สงบเหรอหลวงปู่สาวก็ตอบกลับมาว่าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่เกิดปัญญาน่ะสิก็คือว่าเมื่อมีมีสมาธิได้ความสงบแล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้นิ่งให้ว่างเวลามันจะมีความคิดอะไรผุดขึ้นไม่ต้องไปห้ามมันไม่ต้องไปดึงมันให้รู้ทันว่ามีความคิดเกิดขึ้นยอมรับมันยอมรับ รู้ตามจริงแต่คนเนี่ยถ้าไม่ตั้งความเห็นไวเอาไวด้ดีๆเนี่ยนะหรือไม่ตั้งเป้าหมายาไวด้ดีๆจะเห็นว่าความคิดเป็นตัวขวางความสงบแล้วมีความคิดขึ้นมาก็จะรีบปัดหรือรีบดึงรีบปัดคือมีความคิดแล้วปัดไม่เอารีบดึงคือเห็นว่าจิตมันไหลไปแล้วดึงจิตกลับมาดึงจิตกลับมานี่แสดงว่าไม่เห็นของจริงที่เรียกว่าเอกจรัง ไม่เห็นว่าจิตมันดับจากตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นแล้วแล้วก็รีบดึงมันกลับมาอีกนี่เไม่เห็นของจริงแล้วก็เห็นว่าความคิดเป็นตัวขวางความสงบคือตั้งเป้าการปฏิบัติไว้ผิดตั้งไว้ว่าเราจะปฏิบัติเพื่อสงบพอมันไม่สงบคือมีความคิดขึ้นมาก็คิดว่าความคิดนี้เป็นตัวขวางความสงบแล้วก็ไม่พอใจความคิดอันนั้นใครเป็นอย่างนั้นบ้าง มันก็เลยปฏิบัติแล้วเครียดปฏิบัติแล้วเครียดหลวงพ่อพูดบอกว่าถ้าปฏิบัติถูกเนี่ยจะเห็นว่าความคิดเนี่ยเป็นอาหารของปัญญาความคิดเนี่ยนะเป็นอาหารของปัญญาถ้ารู้ทันว่าจิตมันไหลไปจิตมันเกิดดับดับจากนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นแรกๆเห็นมันไหลไปก่อนแล้วหลังๆเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ใช่ไหลนะมันดับจากนี้แล้วไปเกิดที่นู่นมีสภาวะเดียวกัน แต่พูดคนละแบบอีกองคหนึ่งก็คือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนี่ต้องรู้จักแน่ๆเลยถ้าใครไม่รู้จักหลวงปู่มั่นมีไหมมีใครไม่รู้จักหลวงปู่มั่นบ้างหลวงปู่มั่นจะมีสัพท์อยู่ศัพบหนึ่งอธิบายสภาวะอันนี้ท่านเรียกว่าถีติภูตังเคยได้ยินไหมถีติภูตังถีติภูตังเนี่ยหลวงพ่อพุธก็มาอธิบายว่ามันก็คือตรงกับที่ สิ่งที่หลวงปู่เสาท่านพูดถึงเมื่อกี้นี้ถีติภูตังสมเด็จยานพระสังฆราชเคยไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพุธถามว่าที่หลวงปู่มั่นพูดคำว่าถีติภูตังเนี่ยหมายถึงอะไรหลวงพ่อพุธก็เวลาท่านจะกราบถวายคำตอบเนี่ย ท่านก็สวดมนต์สวดมนสวดบทธรรมนิยามธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาเป็นบทธรรมนิยามบทนี้พระจะให้สวดเพื่อท่องเป็นพุทธพจน์แสดงความจริงเป็นธรรมนิยามในบทนั้นจะมีคำว่าธรรมะทิตตตาธรรมนิยามตาธรรมะทิตตตาที่ติปาวะตั้งมัน่น ธรรมะที่ตีตตาคือทมคือความตั้งมัน่นธรร ม, มนิยา ม, มาตาคือเป็นธรรมที่แสดงความจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะเห็นธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปงเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, นัตตาเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยหมุนเวียนแสดงความจริงอยู่ ร, บรอบๆโดยมีจิตนี่ตั้งมั่นอยู่อันนี้คือลักษณะของคาว่าถีติภูตัง เป็นคำอธิบายของหลวงพ่อพุธหลวงหลวงปู่ฟั่นก็บอกว่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างหลวงหลวงพ่อประโมทจะใช้คำว่าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานใช้คำอย่างนี้อันเดียวกันคือลักษณะที่ว่าเมื่อเจริญสติเห็นสภาวะแล้วขั้นต่อไปก็คือว่าให้จิตถึงฐานถึงให้จิตตั้งมั่น เห็นสภาว่ธรรมเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงแสดงความจริงแล้วมันจะเกิดปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นกายนี้เป็นส่วนหนึ่งไม่เหมือนเวทนานั่งนานๆเวทนาเกิดขึ้นเวทนาไม่ใช่กายและเวทนาก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่ตัวรู้ถูกรู้อยู่แต่เวทนาก็เป็นนามธรรมอันหนึ่งนามธรรมไม่ใช่มีแค่จิตนามธรรมมีทั้งเวทนามีทั้งความคิดนึกปรุงแต่งความจําก็เป็นเป็นนามธรรมอันหนึ่งเห็น สภาวะธรรมต่างๆเป็นรูปเป็นนามที่มันเคยเป็นชีวิตกลายเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเราก็แบ่งชีวิตออกมากลายเป็นรูปธรรมกับนามธรรมบ้างหรือจะแบ่งเป็น5ก็ได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจะแบ่งเป็น6ก็ได้คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่จะแบ่งแบบไหนบางคนชอบแบ่งนามมากๆก็แบ่งแบบขันหชอบแบ่งรูปมากๆก็แบ่งแบบอายตรร แบ่งไปแบ่งมามันไม่มีเราในนั้นเลยไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสภาวะธรรมล้วนๆอย่างนี้ย า, y ากไปไหมวันนี้มาปนๆกันหลายคนมีทั้งคนใหม่คนเก่า <K rai> ใครยากให้ทำคิว้วย่นๆเอาไว้เหมือนนึกถึงว่า พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยความการุณาอย่างยิ่งแสดงธรรมให้กับพระองค์ที่ว่าเนี่ยองค์เนี่ยเพิ่งทำผิดจากความฟุ้งซ่านของตัวเองมาหยกๆเลยนะคิดฟุ้งซ่านแล้วก็เอาไม้เผลอไปไม่ใช่ไม้ด่ามพัดตีหัวพระอุปชาขนาดนั้นฟุ้งซ่านขนาดนั้น ท่านยังสอนให้เป็นพระโสะดาบันได้ด้วยการให้ดูจิตแค่สี่ลักษณะนี้สี่ลักษณะมีอะไรบ้างจำได้ไหมทูรังขมังเอกรยังอสรีรังคุหาสยังสสี่ลักษณะนะแล้วท่านก็บอกว่าให้สมรวมดูจิตอย่างนี้แล้วจะพ้นบ่วงของมาน ถ้าไม่สมรวมไม่ดูจิตคือไม่สมรวมอยู่กับจิตถ้าคนไม่สมรวมไว้กับจิตเนี่ยไม่สมรวมระวังไว้เนี่ยมันจะปล่อยใจเตลดิดฟุ้งซ่านมันไม่อยู่กับจิตคือมันไปอยู่กับสิ่งที่ข้างนอกที่ถูกรู้ท่านให้สมรวมดูอยู่ที่จิตเห็นลักษณะทั้งสี่นี้แล้วจะพ้นบ่วงของมนันถ้าปล่อยให้คิดนะมันก็จะไปคิดมีเมียไปตีเมีย ต, มต่อไปตอนอยังไม่มีเมียเนี่ยคิดจะตีเมีย แต่พอมีเมียจริงๆอาจจะถูกเมียตีก็ได้ <c oughs> ท่านสอนให้ดูจิตง่ายๆสี่อย่างพระองค์นั้นไม่ต้องเรียนอภิธรรมเป็นอภิธรรมฉบับย่อดูจิตง่ายๆนะสอนไปตามความเหมาะสมของของผู้ผู้รับพระทั้งที่จะแบบ จะหนีไปศึกแท้ๆเลยหนีออกไปแบบถ้าหนีไปแล้วพระจับไม่ได้นะก็คงตกอบายพระไปด้วยความมัวหมองจิตเศร้าหมองแล้วก็ทำร้ายพระอาหารหันด้วยขนาดนั้นทำผิดขนาดนั้นนะแต่ถ้าเจอครูดีๆคือครูระดับพระบรมครูคือพระพุทธเจ้าเหละพระองค์มีเทคนิคการสอนได้หาคนเปรียบไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เสมอเลยนะ หาคนเปรียบไม่ได้เลยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความพิเศษแห่งความอุบัติมาของพระพุทธเจ้าคนที่ไม่น่าจะสอนได้พระองค์ก็สอนได้มันความความที่พระองค์มีความสามารถอย่างนี้เวลาจะสันเสริญคุณของพระองค์จึงสันเสริญแบบไม่หมด มีคำหนึงที่จะใช้แทนได้ตรงนี้ได้บ้างก็คือว่าศัทธาเทวมนุษย์สารังเวลาเราสวดมนต์ถึงพุทธคุณเคยสวดใช่ไหมศัทธาเทวมนุษย์สารังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุต t e r ปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้บุรุษนี่หมายถึงสตรีด้วยบุรุษหมายถึงคนเหมือนกับ Human ไม่มีฮ u m a n ใช่ไบุรุษในที่นี้หมายถึงคนน่คนทั่ ว, วไปสามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าพระที่แบบแย่ๆขนาดนั้นแล้วเนี่ยท่านยังฝึกดึงจากจุดที่เขาอยู่แบบเหมือนจมโคลนอยู่แล้วเนี่ยขึ้นมาพ้นอบายไม่จะพ้นธรรมดาด้วยพ้นแบบเข้าสู่กระแสจะเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปในอนาคต อย่างแน่นอนพวกเราอยังไม่แน่ใช่ไหมยังไม่แน่จะแน่ตอเมื่อเข้าสู่กระแสะพระนิพพานก็คือเป็นพระโสดาบันคำว่าโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสะโสดาแปลว่ากระแสะโสดาบันโสดาปฏิเข้าสู่กระแสะเราก็มาเป็น ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันเป็นขั้นๆบางทีเขาพูดถึงภาวะของความเป็นพระอรหรันต์เราฟังไม่ออกฟังฟังแล้วงงทําให้ท้อแท้ให้รู้ว่าท้อแท้จิตมันท้อแท้จิตมันไม่อยู่กับตัวทีแรกเห็นมันไปไกลๆนะตอนหลังๆมาใกล้ๆแค่นี้มันก็มาแล้วนะมันก็เคลื่อนแล้วนะแค่กระดิกจับมือกระดิกนิ้วเนี่ยนะ ถ้าใจลอยคือไม่รู้ตัวทําแช่วับแช่วับอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่รู้ตัวรู้จักแช่วับไหมดูไหมถ้าถ้าคนธรรมศาสตร์นะรู้แช่วับไม่รู้โรงเรียนอื่นเขาเชียร์กันยังไงนะธรรมศาสตร์จะแช่วับแช่วับถ้าทํำมืออย่างนี้นะตรงนี้แช่ตรงนี้วับแช่วับแช่วับคนที่แช่วับแช่วับ แล้วรู้ตัวกับการขยับมือเนี่ยมันก็ยังไหลามาคนแช่วับแช่วับแตจิตใจลอยไปมือยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะแล้วไม่มีสติใจลอยมีสติแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีการไหลมีการเคลื่อนที่ของการรู้ตอนที่มีการจดจ่ออยู่กับมือมีการจดจ่ออยู่กับมือเนี่ยใจที่มันจดจ่อเนี่ยถ้าบีบบังคับเอาไว้ ถ้าบีบบังคับเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นการทําสมถะแบบหนึง่งให้มันจดจ่ออยู่กับที่ที่เดียวคือมือที่กํลาลังเคลื่อนไหวแต่ถ้าเห็นมันเผลอบ้างมือขยับไปขยับมาเนี่ยขยับอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้แล้วมันเผลอไปรู้ทันเผลอไปรู้ทั น, ทนก็ทําแบบเดียวกับที่คนดูลมหายใจแล้วมันเผลอไปดูลมหายใจแ ล, ล้วเผลอไปก็จะเห็นเลยว่าจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนจากจุดที่เราให้มันอยู่ไอ้ตรงเนี้ย ก็ถือว่าเป็นถ้าอันหนึ่งเหมือนกันถ้าที่ว่าเนี่ยไม่ต้องมันจะไม่ต้องมีรูโพรงแบบรูจมูกกายเนี่ยจริงๆแล้วมีโพรงอยู่เต็มไปหมดเลยดูดีๆนะกายเนี่ยจะมีโพรงอยู่เต็มไปหมดเลยมันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วยังมีอีกธาตุอีกธาตุหนึ่งเรียกว่าอากาศธาตุรู้จักไหมอากาศธาตุคือช่องว่างมันไม่ใช่มีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟแล้วเบียดกันแน่นเอียดนะ มันมีช่องว่างด้วยเพราะมีช่องว่างจึงมีการแทนที่กันมีช่องว่างตรงนั้นแหละเรียกว่าเป็นถ้ามันพงพรงอาศัยถ้ำอยู่แล้วก็ออกไปอาศัยถ้ำอยู่แล้วก็ออกไปเห็นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละดีถ้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นนิ่งนิ่งแช่แช่อันนั้นได้สมถะแต่ไม่เห็นความจริงไม่เกิดปัญญา สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านฝากไว้สำหรับคนที่ทำสมถะได้แล้วก็คือว่าอย่าปล่อยให้มันนิ่งนิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตจึงจะเกิดปัญญาเหมือนอย่างที่หลวงปู่เสาเปรลยกับหลวงพ่อพุธบอกว่าจิตตอนนี้จิตค่าตอนนี้มันคิดอยู่ตลอดถ้าคนภาวนาไม่เป็นก็บอกว่าอา้าวหลวงปู่ฟุง้งจริงไม่ใช่ ตอนที่จิตตั้งมั่นมันจะเห็นสิ่งต่างๆมันเคลื่อนไหวไอ้ตอนนั้นแหละมันคนที่ไม่เข้าใจจะรู้สึกว่าตัวเองอเหมือนฟุง้งซ่านแล้วมันก็เลยไหลาตามไหลาตามที่ตัวเองเห็นไปไม่ตั้งมั่นจริงตอนที่จะเห็นความฟุง้งซ่านเห็นความเคลื่อนของจิตเห็นการทํางานของจิตเนี่ยขณะที่เห็นขณะนั้นจิตตั้งมั่นขณะที่ฟุ้งไปแล้วจิต ไหลไปตามขณะนั้นเผลอไปนั้นมันก็สลับกันระหว่างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างรู้บางครั้งรู้เป็น เ, เพียงแค่สติคือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางครั้งก็รู้แบบมีสมาธิ ด, ด้วยคือรู้แบบอยู่กับจิตเห็นสิ่งต่างๆเคลื่อนไหว